a m t Talk สวัสดีค่ะคุณผฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ RMUTTALK ค่ะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปักทานังรับหน้าที่ในการดําเนินรายการนะคะประเด็นการพูดคุยกันในวันนี้กับ r m t t a l k ต้อนรับในการนับถอยหลังดีกว่านะคะในการเข้าสู่ปีใหม่2562ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรามีโครงการดีๆที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดทําขึ้นนะคะให้เลือดก่อนปีใหม่ท่องเที่ยวปลอดภัยโชคดีได้บุญซึ่งวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากคุณศิีนีนาธอุทา ผู้ช่วยผู้ในการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาตไทยซึ่งจะมาพูดถึงโครงการนี้กันนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณศนีนาฏค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงโครงการดีๆที่เราเตรียมกันมาในช่วงก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่นะคะคุณศนีนาฏอยากให้ได้แนะนํากันนิดนึงนะถึงภารกิจหลักแล้วก็ภารกิจสําคัญของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยอะคะ่ะว่ามีภารกิจหลักอย่างไรบ้างคะ่ะ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาตไทยนะคะมีภารกิจหลักนะคะคืองานบริการโลหิตนะคะซึ่งเราได้รับมอบหมายจากรัฐบาลนะคะให้ดําเนินการจัดหาเลือดนะคะจากทุกบริจาคเนี่ย<ภ>ให้มีปริมาณเพียงพอแล้วก็มีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดเพื่อที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศนะคะโดยที่เราเนี่ยมีนโยบายหลักว่าโลหิตทุกยูนิตเนี่ยต้องได้รับการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะคะ่ะ ปัจจุบันนี้เรามีเรื่องของภาคบริการโลหิตทั่วประเทศจํานวนกี่แห่งด้วยกันคะค่ะสําหรับในส่วนภูมิภาคนะคะเรื่องของการบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศในปัจจุบันเนี่ย12แห่งนะคะแล้วมีสถานีกาชาติหัวหินหนึ่งแห่งนะคะที่จังหวัดประจวบคลิขันนะคะนอกจากนั้นเรามีศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมานะคะแล้วก็มีสาขาบริการโลหิตนะคะในกรุงเทพเนี่ย6แห่งด้วยกัน รวมทั้งบางจังหวัดเนี่ยนะคะทุกแห่งนะคะโรงพยาบาลนะคะประจำจังหวัดทั่วประเทศและเหล่ากาชาติจังหวัดทั่วประเทศนะคะก็ทำงานด้านบริการโลหิตค่ะอืมอะต้องถือว่า มีมีในทุกๆพื้นที่แหละแต่ว่าในใ น, ในหน่วยงานนะคะหลกัลกๆก็คือสิบสองแห่งแล้วก็รวมไปถึงศูนย์บริการโลหิตหนึ่งแห่งที่หัวหินนะคะแล้วก็ในกรุงเทพมหานครหกแห่งด้วยกันนะคะซึ่งหลายคนที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดใดก็ตามนะคะสามารถที่จะไปที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดทั่วประเทศของท่านได้ในการบริจาคโลหิตด้วยนะค ะ, คะในส่วนของการบริจาคโลหิตเองค่ะคุณสนิรัตคะมีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญยังไงทําไมในทุกๆปีเราถึงมีการออกมา เพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยได้บริจาคโลหิตกันนะคะค่ะการบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะนอกจากการเป็นการทําบุญอันยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วเนี่ยนะคะค่ะส่วนตัวของผู้บริจาคเองก็จะได้รับประโยชน์นะคะจากการบริจาคเลือดด้วยนะคะซึ่งไม่เกิดอันตรายนะคะต่อผู้บริจาคเลยน ะ, ะในการบริจาคแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราจะสูญเสียเลือดเนี่ยนะคะ ประมาณเพียงสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นตของปริมาณโลหิตที่ร่างกายเรามีอยู่ซึ่งไม่ไม่ทําให้เกิดอันตรายใดๆนะคะ<ภ>อย่างเช่นว่าถ้าเรามีน้ําหนักเนี่ยประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบกิโลก ร, รัมนะคะ<ภ>เราสามารถที่จะบริจาคเลือดนะให้ได้ถึงสามร้อห้าสิบซีซีถ้ามีน้ําหนักมากกว่าห้าสิบกิโลก ร, รัมนะคะเราก็ให้เลือดได้ถึงสี่ร้อยถึงห้าสี่ร้อยห้าสิบซีซีซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อผู้บริจาคเลยนะคะ<ภ>นอกจากนั้นเนี่ยนะคะ ที่จาเป็นที่สิ่งที่จาเป็นมากก็คือว่าเลือดเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะมีสิ่งใดเนี่ยทดแทนได้นะคะนอกจากการบริจาคจากร่างกายมนุษย์เท่านั้นนะคะและผู้ป่วยเนี่ยที่ต้องการใช้เลือดเนี่ยมีทุกวินาทีนะคะผู้ที่ให้นะคะคือผู้บริจาคเองเนี่ยนะคะนอกจา ก, กได้บุญแล้วเนี่ยก็ยังได้รู้สุขภาพของตัวเองนะคะถ้าเราบริจาคสม่ำเสมอทุกสามเดือนเนี่ย เราเราจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมสุขภาพนะคะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะเราจะได้รู้นะคะทราบหมู่กุ๊ปเลือดของเรานะคะว่าเป็นกุป๊ปเลือดใดนะค ะ, คะสุขภาพของเราก็จะได้มีการตรวจสอบทุกสามเดือนนะคะมีความสุขน ะ, ะที่เป็นผู้ให้นะคะและแมีสุขภาพดีด้วยค่ะค่ะก็พูดได้ว่าพอเราบริจาคปุ๊บเนี่ยทางสภากาชาตเองก็จะมีการตรวจสุขภาพก็คือตรวจเลือดนี้ด้วยว่ามีความสมบูรณ์หรือว่ามีอ เลือดดีไหมอะไรยังไงใช่ไหมค ะ, คะเพื่อที่จะได้มีการแจง้งกับผู้บริจาคใช่ค่ะนะคะปัจจุบันนี้คะ่ะคุณสินาถในอัตราส่วนของความต้องการคะ่ะกับปริมาณของการบริจาคโลหิตเป็นยังไงบ้างคะ่ะมีคนบริจาคเยอะไหมแล้วก็มีผู้ที่ต้องการเลือดเนี่ยจํานวนเท่าไหร่อะค่ะค่ะการบริจาคเลือดเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยยังขาดความสม่ําเสมอนะคะในบางเดือนเนี่ยนะคะได้โลหิต เกินเป้านะคะแต่บางเดือนเนี่ยไม่เพียงพอนะคะเราจรึงต้องมีการรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตเนี่ยมาบริจาคทุกสามเดือนนะคะคือหนึ่งปีเนี่ยสามารถที่จะบริจาคได้ถึงสี่ครั้งให้เป็นประจําสม่ําเสมอเพื่อที่จะให้สํารองนะคะโลหิตในในคลังเนี่ยเพียงพอที่จะจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่มาขอได้นะคะคในช่วงเทศ ก, กาลหยุ ด, ด ย, ยาวเนี่ยหรือในช่วงที่มีสถานการณ์ ที่ปกติเนี่ยนะคะเราจําเป็นจะต้องสํารองเลือดให้มีความเพียงพออย่างสม่ําเสมอคือในหนึ่งวันเนี่ยนะคะเราต้องการให้มีคนมาบริจาคอย่างที่สูนย์ดุกการละหิตแห่งชาติเนี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยถุงนะคะจะต้องมีการบริจาคให้เพียงพอถึงจะสํารองเลือดให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศได้นะคะค่ะ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะให้มาบริจาคเนี่ยเรามีสามกลุ่มด้วยกันนะคะที่เราอยากจะรณรงค์นะคะกลุ่มบริจาคที่เป็นเยาวชนนะคือผู้ที่เริ่มบริจาคเนี่ยนะคะอยากจะ <Drink. S 1> เป็นผู้ให้น ะ, ะมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะกลุ่มที่สองก็คือประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่ อ, อยู่ในวัยกลางคนนะคะอยากจะให้มีการรักษาสุขภาพให้มีการบริจาคอหิตอย่างสม่ำเสมอทุกสามเดือนนะคะส่วนกลุ่ม ที่3มเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีเป็นผู้สูงอายุนะคะ อ, อยากจ ะ, ะที่มีสุขภาพดีสามารถที่จะบริจากระดิตได้ถึงอายุสถึง70 ะ ค, ะค่ะในจํากัด3ามกลุ่มที่เราว่ากันมานี้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของสุขภาพเป็นสําคัญนะคะแต่ว่านในในส่วนของโครงการาที่เราบอกก็คือโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการเพื่อรองรับในช่วงของเทศากาลปีใหม่นะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะนึกถึงแน่นอนว่าในปีใหม่เนี่ยเราจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางท้องถนนเนี่ย ค, ค่อนข้างเยอะในช่วง7วันอันตรายซึ่งเขาก็มีการใช้ใช้เลือดเนี่ยต้องมีการสํารองไว้เยอะมากในปีที่ผ่านมาต้องขออนุญสอบถามคุณสนีนาสิ่นึงว่าเรามีการใช้เลือดเยอะ ไหมคะแล้ก็ปริมาณที่เราได้เตรียมเอาไว้ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้เนี่ยเพียงพอไหมคะออมีโรงพยาบาลมาขอเบอิกนะคะถึงสามพันถึงสี่พันยูนิตนะคะในช่วงเจ็ดวันอันตรายในปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีการสัมลองเลือดไว้นะคะให้เพียงพอนะค ะ, คะทุกปีนะคะค่ ะ, คะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ใช้แค่ปีใหม่เท่านั้นทุกช่วงเวลาเราก็ต้องใช้ใชเป็นประจำะกันอยู่แล้วนะคะ สำหรับคุณคสมบัติดีกว่านะคะเข้าสู่ในช่วงของการเตรียมตัวในการบริจาคโลหิตและหลายๆท่านบอกว่าฟังมาเนี่ยบางทีเรารู้สึกแบบโอ้โหไม่รู้ว่าร่างกายจะพร้อมไหมไม่รู้ว่าไปบริจาคแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคุณสมบัติเบื้องต้นค่ะสําหรับผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้นะคะคุณศิรินาฏต้องเป็นผู้มีสมบัติยังไงบ้างอ ะ, ค, ะค่ะค่ะเบื้องต้นเลยนะคะต้องมีอายุนะคะระหว่าง17ปีนะคะถึง70ปีบริบูรณ์นะคะโดยถ้าอายุ 17เจ็ดปีเนี่ยนะคะจะต้องมีหนังสือะะยินยอมจากผู้ปกครองนะคะส่วนน้ำหนักนะคะน้าหนักจะต้องมีน้ำหนักตั้งแต่สี่สิบห้ากิโลขึ้นไปนะคะจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะบริจาคเลือดนะคะคืนก่อนที่จะมาบริจาคเนี่ยต้องนอนนะคะให้เพียงพอในเวลาปกติที่เรา นอนของเร า, เรารตอนนั้งคืคนนะคะยังต้องหดทัง8ชั่วโมงนะคะดื่มน้ำเยอะนะคะก่อนที่จะมาบริจาคนะคะต้องไม่เป็นหวัดนะคะไม่มีท้องเสียไม่มีท้องร่วงนะะในช่วง7วันที่ผ่านมานะค ะ, คะสุขภาพสตีเนี่ยนะคะต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภหรือให้นมบุตรนะคะแล ะ, ะน้ำหนักนะคะน้าหนักจะต้องไม่ลดนะคะในช่วง3เดือนเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าลด อาจจะเป็นโรคบางอย่างบางท่านปกติป่วยแล้วก็น้ำหนักลดมาอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะใช่ถ้าหากรับประทานยานะคะแสดงว่าป่วยแล้วนะคะยาแก้อักสบยาอื่นๆเนี่ยต้องหยุดยานะคะไม่ควรที่จะมาบริจาคนะอย่างน้อยสักเจ็วันให้หายก่อนนะคะโรคประจําตัวนะคะที่เป็นอยู่นะคะต้องต้องแจ้งหมอนะหมอจะมีคําถามว่าคุณนีโรคประจําตัวอื่นๆไหมนะคะเช่นโรค หัวใจตับนะฮะมะเร็งต่างๆโรคเลือดออกง่ายเป็นภูมิแพ้วันโรคหรือเปล่านี้ต้องไม่มีโรคประจําตัวเลยนะคะ ถ, ถ้าไปถอนฟันมานะคะหรือ อ, อุดฟันขูดหินปูนนี้ต้องเว้นเลยนะคะสักสามวันนะคะค่อยมาบริจาคนะคะหรือมีการผ่าตัดนะคะที่ผ่านมาไปผ่าตัดมาเอผ่าตัดใหญ่เนี่ยต้องเว้นไปเลยหกเดือนนะคะมีการผ่าตัดเล็กนะฮะเล็กๆน้อยๆ น, ยนะคะไม่มากก็เว้นไปเจ็บ วันนะคะแล้วก็ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมีคู่ชายลักชายอย่างนี้นะคะจะมีความเสี่ยงมากนะคะในการติด โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้มีการบริจาคเลือดให้ให้เว้นนะคะงดบริจาคเลือดเลยนะค ะ, คะผู้ที่ติดยาเสพติดนะคะต้องงดนะคะผู้ที่เจาะหูสักนะคะต้องเว้นไปเลยหนึ่งปีนะคะเพราะว่าอาจจะใช้เข็มไม่สะอาดอาจจะมีทําให้ติดเชื้อนะคะคถึงผู้ป่วยได้นะคะอันนี้เบื้องต้นนะคะนะคะแน่นอนนะคะว่าก่อนบริจาคเราจะต้องมีการคุยกับคุณหมอก่อนนะแล้วก็ต้องมีการ คัดกรองคุณลุงสมบอ่าก่อนรับบริจาคเลือดเพราะนอจากนั้นการดูแลหลังบริจาคเลือดเราก็ต้องจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะนอนทักพอนที่เตียงนะคะพอบริจาคเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก่อนลุกน ะ, ะอย่าลุกกระทันหันนะคะหรือต้องดื่มเครื่องดื่มนะคะนอนทักสักอีกสักสิบห้านาทีก่อนที่จะเดินออกไปนะคะหรือไม่ขึ้นลิฟต์น ะ, ะขึ้นบันไดอะไรที่สูงๆซึ่ง อ, อ, อาจจะทําให้เกิดรู้สึกิเวียนได้นะคะ ไม่ออกกำลังกายที่เสียงเงือมากๆนะฮะอาจจะทำให้เกิดเป็นลมได้เพราะเราเราเสียเสียเลือดไปนะคะซึ่งมีมน้ำ ม, มีส่วนประกอบนะคะแล้วก็เราจะมีการให้ยาธาตุเหล็กนะคะไปประมาณห้าสิบเม็ดนะคะเพื่อที่จะบำลุงเลือดนะคะเพื่ อ, อทานมาลเมทนะคะแล้วอีกสามเดือนล้วก็ กลับมาบริจาคอคิตได้นะคะค่ะที่ฟังดูแล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากเลยเพราะว่าในใน<ม> <ๆ S 2> ทุกทุกขั้นตอนเนี่ยนะคะเราก็จะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่มาเข้ารับการบริจาคนะคะท<ช>้ายนี้ค่ะคุณศศีนาศในเรื่องของการบริจาคลหิตเองในโครงการที่เราจัดทาขึ้นล่าสุดนี้นะคะ <ๆ S 2> ให้เลือด ก, ก่อนปีใหม่ท่องเที่ยวปลอดภัยโชคดีได้บุญนะคะ <ๆ S 2> ซึ่งว่ามีการจัดกิจกรรมด้วยในในต่างจังหวัดด้วยนะคะตอนนี้อยากให้คุณศศิ <ๆ S 2> นีนาศเองได้พูดแนะนําคุณผู้ฟัง ที่เราฟังกันอยู่ค่ะค่ะสำหรับโครงการให้เลือกก่อนปีใหม่ท่องเที่ยวปลอดภัยโชคดีได้บุญนะคะเราจัดในระหว่างวันที่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้ารอยหกสิบเอ็ดนะคะแปดวันนะคะ โดยเราจัดที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะถนนอังรีดูนังนะคะและจัดที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลบบุรีชลบุรีราชบุรีคนครราชาสีมาขอนแก่นขอนบรานก า, านีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชสงขลาภูกเก็ต น, นะคะและที่สถานีกาชาติหัวหินนะคะเราจะมีการแจกนะคะ ปฏิทินปีใหม่2562ให้เป็นที่ระลึกนะเป็นเป็นรูปของดาราท่องสามะนะคะเราอยากให้ทุกท่านที่มาบริจาคเหิตในช่วงนี้นะคะ8วันนี้นะค ะ, คะอยากจะให้ทุกท่านได้มาทำบุญร่วมกันนะคะต้อนรับปีใหม่2562ค่ ะ, คะเป็นการทำบุญที่ไม่ต้องเสียทรัพย์ นะคะแต่ว่าก็ายังได้ช่วยเหลือด้วยแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยที่เงินไม่สามารถซื้อได้นะเพราะว่าการบริจาคอหิตเนี่ยนะคะก็มาจากร่างกายนะคะมาจากการแบ่งปันของร่างกายนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะาสามารถติดต่อมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโอหิตที่ศูนย์การเหียนเชา่านะคะเบอร์โทรนะคะ02นะคะ2564300นะคะต่อ11 4. 011760นะคะหรือเข้าไปที่ Facebook นะคะศูนยน์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะสอบถามมาทาง Facebook ได้ค่นะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณศรีนีนาฏอุทธาผู้ช่วยผู้บริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะที่ให้เกียรติในการมาพูดคุยแล้วก็แนะนําข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยในโครงการให้เลือดก่อนปีใหม่ท่องเที่ยวปลอดภยัยโชคดีได้บุญค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะกุศลีนาฏค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ ะ, ค, ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังที่สนใจแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าในปีใหม่นี้เนี่ยเราอยากจะมีการทำบุญแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะคะในช่วงเศรษฐกิจ ซบเซานะบางคนบอกว่าุการบริจาคเงินเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถนัดนักนะคะแต่ถ้าคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะแนะนํากัน์ค่าให้มาร่วมการบริจาคโลหิตกันได้นะคะตามศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12ศูนย์ด้วยกันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะที่022564300ต่อ1101หรือ17 60หนะคะหรือที่02ค่ะ263 9 6 0 0ถึง99านะคะงานนี้คุณจะได้ช่วยกับผู้ที่ต้องการเลือดจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วนะคะมาร่วมกันบริจาคแล้วก็สำรองเลือดให้กับผู้ที่ต้องมีความจำเป็นในการใช้เลือดจะดีกว่าค่ะวันนี้เรื่องราวของ RMT Talk หมดว ล, ลงแล้วนะคะติดตามรับฟังกันได้ใ ห, หม่ในครั้งหน้าส่วนตอนนี้ไปติดตามรับฟังรายการจากราชมงคลกันต่อค่ะ